วันอาทิตย์ที่19กุมภาพันธ์2538เป็นการบรรยายพระสูตรเรื่องปฏิจจสมุปบาทโดยอาจารย์สุเทพโพธิสัตธาปฏิจจสมุปบาทตามแนวของพระสูตรที่ชื่อว่าพิสมัยสังยุตในครั้งนี้ผมจะเข้าสู่ประเด็นหลักซึ่งจะกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างอาวิชชาซึ่งเป็นองค์ที่หนึ่ง กับสังขารซึ่งเป็นองค์ที่สองที่ภาษาบาลีกล่าวว่าอาวิชชาปัจจิยาสังขาราซึ่งแปลองค์แต่ละองค์นั้นด้วยคําแปลในทางภาษาไทยที่มีความแตกต่างกันบางแห่งก็แปลว่าอาวิชชาเป็นปัจจัยแก่สังขารหรืออวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารเป็นต้น บางแห่งก็แปลว่าสังขารมีเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยเป็นต้นนั้นก็มีเอกสารชุดหนึ่งที่ได้ทํากําแปลให้ดูไว้เป็นสองอย่างแล้วก็อีกอย่างหนึ่งแปลกันว่าอาวิชชาเกิดปัดจจัยเอาพิธานโทษสังขารเกิดเพราะปัจจัยคืออวิชชาสี่การแปลเป็นสามอย่างอย่างนี้แต่ขอได้ทราบว่า อวิชาปัจจยาสังขารานั้นจะแปลว่าอย่างไรก็เป็นอันใช้ได้ทั้งนั้นซึ่งเป็นคำแปลที่แสดงถึงความสัมพันธ์นระหว่างอาวิชากับสังขารนั่นเองแต่ที่ผมพูดไว้เมื่อคราวก่อนก็ที่ได้ตั้งใจว่จะพูดชวนให้ดูองค์ของปฏิจจาทั้งสิบสององค์ที่กาหนดไว้จากที่ต่างๆทั้งในพระสูตรในพระอภิธรรมในคำภีวิสุทธิมัต และในคำภีธาตุกระถาซึ่งมีสี่แห่งก็เห็นว่าถ้าจะพูดไล่เรียงไปเป็นแบบเอกเทศเอกเทศเอกเทศไปนั้นอาจจะเป็นเรื่องที่ยเยอะเกินไปก็เลยจะพูดไปสั้นในคราวเดียวกันซึงก็หมายความว่าเราจะต้องทำความเข้าใจเป็นเบื้องต้นก่อนว่ า, าวิชาคืออะไรถึงจะได้พูดคราวแล้วก็จำเป็นจะต้องพูดอีกสังขารคืออะไร และทั้งสองอย่างมีความสัมพันธ์กันอย่างไรขอให้ได้ใช้เอกสารที่มีภาพแผนภูมิเป็นตัวหลักเลยนะครับแล้วข่าวหน้าผมจะเขียนเป็นหัวข้อสังเขตที่ผมได้อธิบายไปวันนี้แจกตามหลังอีกครั้งหนึ่งในครั้งนี้นะขอให้ฟังอย่างเอาความที่เป็นจุดสำคัญสำคัญ อวิชชาเป็นไปจใจแก่สังขารนั้นจะต้องอธิบายกันเยอะเพื่อให้ได้ความกระจ่างแจ้งอย่างค่อนข้างครบถ้วและเราสามารถเข้าใจเข้าใจได้และเกิดแนวคิดในทางปฏิบัติได้ด้วยอวิชชานั้นองค์ธรรมต้องเริ่มอย่างพระวิชาม า, าองค์ธ ร, รรมคือโมหะเจตสิกที่เกิดอยู่ในอกุศลลจิตสิบสองเรียกว่ากาหนดองค์ธรรม คงทำอย่างสภาวะเลยนะครับส่วนในที่อื่นๆที่กล่าวว่าอาวิชาคือความไม่รู้ในอริยสัจสีอวิชชาคือความไม่รู้ในขันธาธาตุยตนะที่เป็นปัจจุบันอดีตอนาคตอวิชชาคือความไม่รู้ในปัจจัการที่พูดอย่างในที่อื่นเป็นหลายๆอย่างนั้นขอให้ได้ทราบว่านั่นเป็นการกล่าวถึงอารมณ์หรือสิ่งที่อวิชชาปกปิดถ้ากล่าวอย่างตัวก็ต้องบอกว่า อวิชชาตัวมันคือโมหะเจตสิกที่อยู่ในอคุศลจิสิบสองหรือที่เกิดในอคุศลจิสบสองนี่พูดอย่างพระพิธรรมเลยนะและเมื่อกล่าวโดยอารมณ์ก็กล่าวว่าอาวิชชาที่เกิดอยู่ในอคุศ ล, ละจิตสิบสองนี้มีลักษณะปกปิดความจริงของ อริยสัจสี่ของปฏิจจสมุปบาทเองคือของตัวมันเองอะอวิชานั้นไม่รู้แม้แต่กับตัวเองและอวิชานั้นไม่รู้เรื่องอื่นที่โดยสรุปแล้วมันคืออริยสัจสี่ถึงจะพูดเป็นโวหารต่างๆกันอย่างไรก็ตามคือไม่รู้อริยสัจสี่ปกปิดอริยสัจสี่ทีนี้ตรงนี้เราจะต้องมาพิจารณากันอย่างใจเย็นๆว่าที่ว่า หรือไม่รู้เนี่ยคือไม่รู้อย่างไรอผมไม่ทราบว่ามีแผ่นใสยให้เขียนหรือเปล่านะเมื่อกี้สามทีคงอาจจะไม่มีแล้วมไม่มีก็พูดปากเปล่าก็ได้นะอริยสัจสี่เรามาดูอริยสัจสี่ประกอบด้วยทุกข์สมุทยัยนิโรธมรร อริยสัจสี่สี่เนี่ยสองอริยสัจสองเบื้องต้นเป็นของดีหรือของไม่ดีของน่าปรารถนาหรือไม่น่าปรารถนาเป็นโล ก, กีย์หรือโลกุตระเราก็ตอบรับหมดว่าเป็นโลกีกยะไม่น่าปรารถนาเป็นของไม่ดีเป็นของควรละทาลายเดียอริยสัจสองนีโรด ก, กับมั เป็นโลกุตะละเป็นของดีเป็นของน่าปราศาสนาเป็นของควรทําให้เกิดให้บรรลุนี่อริยสัจสีมีเป็นสองสิ่งนี่ทีนี้อริยสัจสี่สองสิ่งเนี่ยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอวิชชานี่ท่านท่านอธิบายไว้เป็นอย่างชัดเจนว่างี้ว่าสมุทัยกับทุกข์เนี่ยถามว่าเป็นอารมณ์ของอวิชชาได้หรือไม่ผมพูดอย่างชนิดที่ค่อนข้างใช้ค่อยคําในทางหลักการ ความจริงก็พื้นพื้นแต่ก็จะมากไปหน่อยสําหรับคนใหม่ง่ายงว่าอวิชาเนี่ยจับเอาตัณหาเป็นอารมณ์ได้ไหมอวิชชาจับเอาทุกข์เป็นอารมณ์ได้ไหมทุกข์หมายถึงทุกขสัตริย์นะได้คือนามรูปที่ถือเป็นทุกขสัตริย์อวิชชาจับได้อันนี้แหละเขาเรียกว่าอาวิชาจับทุกข์จับสมุทัยเป็นอารมณ์เมื่ออวิชามันมีลักษณะหลง มันไปจับอะไรมันก็คือแสดงลักษณะหลงในสิ่งนั้นใช่ไหมใช่เหมือนกับเหมือนกับปัญญามีลักษณะรู้มันไปจับอะไรเป็นอารมณ์มันก็รู้สิ่งนั้นตามกำลังของปัญญาตามขีดขั้นของปัญญาทีนี้อวิชชาเนี่ยอวิชชาทุกทุกอวิชชาและของทุกทุกคนเมื่อมีทุกเป็นอารมณ์มันก็บังไม่ให้เราเห็นว่านั่นเป็นทุกทั้งที่มันจับเป็นอารมณ์อยู่ เห็นอยู่ต่อหน้าต่อตาแต่ไม่เห็นว่าเป็นทุกข์นี่คือมันบังตรงนี้ไม่ใช่ไม่ได้จับเป็นอารมณ์นะรู้อยู่แต่ว่ารู้อย่างบางับงบังและนั่นแหละคือการแสดงความกำบังโดยการรู้นึกรู้นึกอย่างปกปิดไม่ให้เราเนี่ยสามารถที่จะเห็นความจริงของทุกข์แม้ตัณหามันก็จับเป็นอารมณ์และเพราะ โมหะนั้นมีลักษณะหลงจับตัณหาเป็นอารมณ์มันก็หลงไม่รู้ความจริงว่านี่คือตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เหมือนอย่างปัญญารู้สำหรับมรรคกับนิพพานะทีนี้ท่านต้องพิจารณาตามแล้วมรรคกับนิพพานนั้นเป็นอารมณ์ของวิชาได้หรือไม่เอาวิชาจับนิพพานเป็นอารมณ์ได้หรือไม่ไม่ได้ วิชาจับมักเป็นอารมณ์ได้หรือไม่วันนี้สัมมาทิฏฐิเป็นอย่างนี้ไม่ได้ตรงนี้ท่านนึกบอกว่าอาริยสัจสี่เนี่ยสองอริยสัจแรกมันบาง ท, งทั้งที่จับเอาเป็นอารมณ์ในฟังให้ดีนะมันบางความจริงของอริยสัจสองข้อแรกสองข้อแรก ท, ทั้งที่จับเป็นอารมณ์อีกสองอริยสัจหลัง มันบังโดยไม่ได้จับเป็นอารมณ์คือทำไม่ให้รู้อวิชาทนะํทำไม่ให้รู้อริยสัจสองแล้วก็มันก็ไม่สามารถที่จะจับเป็นอารมณ์ได้นี่ลักษณะการบางับงบังสองกรณีบังกรณีแรกทั้งที่จับเป็นอารมณ์อยู่แต่ทำให้ไม่รู้อีกอย่างหนึ่งไม่รู้อยู่แล้วตัวเองไม่รู้เป็นอารมณ์แต่มันก็เลยบังทำให้เราไม่รู้ เลยก็ทำให้เหล่านั้นไม่บรรลุอริยสัจไม่รู้อริยสัจแล้วผมก็ต้องย้าว่าคำว่าไม่รู้อริยสัจนี่มุ่งหมายเอาขั้นสมบูรณ์เป็นเป็นประมาณคือรู้ในขั้นของการบรรลุมรคนี่เอาตรงนี้เป็นประมาณนะเมื่อใดเรายังไม่บรรลุมรเมื่อใด เมื่อ น, นั้นชื่อว่าอริยสัจสี่นั้นยังถูกอวิชชาของเราปกบังอยู่ตราบนั้นและถ้าถามว่าคนที่เขารู้อริยสัจสี่สิ้นอวิชชาเนี่ยเขารู้อย่างไรเนี่เขารู้ว่าอย่างไงตรงนี้นะเราอธิบายเป็นบทปริยัติได้แต่ว่ามันไม่ถึงสภาวะจริงๆในวใจของผู้ปฏิบัติ แต่ก็จะง่ายสําหรับคนที่เคยปฏิบัติได้รู้ได้เห็นสภาวธรรมอะไรชั้นต้นๆบางเนี่ยพอนึกเห็นได้ว่าทุกสมุทัยเมื่อวิชามันบังเนี่ยมันเห็นเป็นของดีใช่ไหมอย่างเช่นเราเห็นว่าตัณหาเป็นของดีถูกไม่ถูกเป็นของน่าปรารถนาเป็นของน่ายินดีทั้งตัณหาทั้งสิ่งที่ตัณหามันยินดีทั้งอะไรทุกอย่างทั้งกระบวนการที่ตัณหามันว่าดีเราว่าดี ใครว่าตันหาไม่ดีเราอยากจะเถียงคือเถียงว่าไอ้ที่เขาว่านั้นมันไม่ถูกและเราสําคัญทุกเห็นเป็นของดีนี่ผมต้องย้ําเรื่องเก่าๆที่พูดมาแล้วเเรื่องนี้ถ้าจะให้กระจ่างจริงๆมันต้องเรียนอริยสัจประกอบด้วยในวินสุทธิมรรคในท่านแสดงอริยสัจแล้วจึงมาแสดงปฏิจจัตเราจะเข้าใจถึงความรู้อริยสัจเป็นปฐมเป็นเป็นสะพานเชื่อมมาถึงตรงนี้ได้ แต่เอาเถอถึงเราไม่รู้เราก็พูดเพื่อให้รู้สึกเจียมเนื้อเจียมตัวว่าคำว่ารู้ไม่ได้ถือเอาการเรียนรู้ว่านี้ทุกนี่ตัณหารู้อย่างนี้ถามว่ามีผลในการประหารอวิชชาไหมไม่มีผลครับถึงเราจะจงใจว่าฉันขอรู้ว่ามันเป็นอย่างนี้ฉันขอเชื่อว่าเป็นอย่างนี้ฉันขอรู้สึกตามว่าเป็นอย่างนี้ และฉันจะหักห้ามไม่ให้สังขารมันเกิดจากอาวิชชาพ้นไหมพ้นสังขารไหมไม่พ้นเพราะท่านบอกว่าไอ้ตรงนี้นะ่ะแม้คิดอย่างนี้มันก็เป็นสังขารดีไม่ดีเป็นอปุญญาพิสังขารไปแต่ด้วยเราเพจใส่ความอยากเข้าไปอย่างนู้นอย่างนี้แต่ปุญญาพิสังขารไม่พ้นแสดงให้เห็นแล้วผมจะต้องอธิบายในลักษณะเจาะลึกลงไปตรงนี้โดยลําดับต่อไปด้วยว่า เรื่องของความไม่รู้ที่เป็นปัจจัยให้เกิดสังขารตรงนี้เหนือสำนึกเป็นเรื่องเหนือสำนึกที่เราจะปิดกั้นได้โดยการไม่ได้บรรลุมรคนนะแต่เป็นเรื่องที่เราควรทำในชั้นส่วนบุพภาชั้นส่วนบุปภาพก็หมายความว่าเราเนี่ยทั้งที่ละอวิชาไม่ได้อยู่นั่นแหละ เราก็เรียนรู้ว่าวิชาเป็นยังไงเอากุศลต้นๆเอาปัญญาต้นๆทําลายความโง่เขลาอย่างต้นๆ น, นะจนกระทั่งเรายกระดับภูมิปัญญาของเราขึ้นไปในชั้นของการปฏิบัติขึ้นไปเดียละหน่อยเดียละหน่อยนะเราก็จะเข้าใจอริยสัจขึ้นไปตามลําดับที่ได้กล่าวแล้วว่าเป็นอนุโพธะเป็นอนุโพธะคือ เป็นความรู้เบื้องต้นที่อนุโลมไปเพื่อรู้ถึงจุดสูงยอดซึ่งก็หมายว่าในระหว่างเนี่ยเราจะไม่ทำอะไรเพื่อให้อาวิเพื่อไปเรียกอวิชาหรือไปขอให้เกิดอวิชาด้วยประการอื่นเพื่อทำอาทาให้เรารู้อริยาาสัจสีแล้วไม่เกิดสังขารเนี่ยไม่ได้โดยวิธีอื่นเราต้องใช้ปัญญาชั้นต้นๆสังสมอบรมไปคลายอาวิชาชั้นต้นๆ อบลมไปทีละหน่อยเพราะการรู้อริยสัจสีนั้นไม่ใช่ก้าวกระโดดแต่เป็นเรื่องค่อยเป็นค่อยไปเป็นเรื่องค่อยค่อยสมบูรณ์ไปโดยลำดับโดยลาดับแต่ในระหว่างที่เรายังไม่ได้บรรลุมรรคบรรลุผลเนี่ยคือในระหว่างที่เรายังทำโลกิยะปัญญาอยู่ตอนนั้นเราหนีไม่พ้นสังขาร พูดให้ถูกจริงๆอีกอย่างว่าหนีสังขารหยับหยาบปางอย่างได้แต่ไม่อาจที่จะหนีสังขารโดยสิ้นเชิงได้เหมือนอย่างผู้บรรลุมรรคแล้วนี่เราก็มานึกเองแล้วเราจะทํำยังไงตรงนี้แหละครับที่ว่าถ้าเราจะนึกในแง่ว่าปฏิจจามันต้องทําได้เดี๋ยวนี้ต้องปฏิบัติได้ด้วย ภลรการในทางสุตตามยปัญญาทางจินตามายปัญญาเนี่ยเราก็จะขัดใจปฏิจจาเอธะจะต้องรอให้ถึงไปบรรลุมรรคผลก่อนหรือถึงจะทําให้สังขารไม่เกิดมันต้องทําได้เดี๋ยวนี้สิรละที่ว่าทําได้เดี๋ยวนี้ก็คือทําได้ต้องพูดให้ถูกแล้วไม่ผิดต้องบอกว่าไอ้นี่มันไม่ใช่ขั้นสมบูรณ์ทําได้ในลักษณะที่ค่อยๆละไปผมยกตัวอย่างเช่นว่าเมื่อเราเกิด วิชาขึ้นรู้ในเรื่องทุกขเรื่องเหตุเกิดของทุกว่ามันเกิดขึ้นจากอายุตัวอย่างเป็นกรณีให้ง่ายๆหน่อยก็เรียวเรารู้เรื่องกรรมอย่างชัดเจนเลยไม่หลงในเรื่องกรรมนะเรียกวปุพพันตะอดีตเย่างโยงปัจจุบันเนี่ยเรามีเราเนี่ยจะเป็นผู้ที่มีความคิดปรุงแต่งไหมว่าต้องฆ่าต้องฆ่าจึงจะดีต้องล่าต้องล้าจึงจะสาเร็จ ต้องฆ่าต้องฆ่าจึงจะร่ำรวยเราคิดไหมเรามีสังขารอย่างนี้ไหมไม่มีใช่ไหมหรือต้องโกหกต้องโกหกต้องสอเสเสียต้องสอเสเสียทำไมถึงไม่มีนี่นะแปลว่าความรู้ในอันนี้มันช่วยทำให้สังขารอย่างหยาบมันเริ่มเปล่าแต่ไม่เด็ดขาดใช่ไหมใช่วันนี้ไม่วันหน้าอาจจะจ ะ, จะทำอย่างอาจจะคิด มันค่อยๆลดค่อยๆละอย่างนี้อันนี้คือในสิ่งที่เราปฏิบัติได้เรื่องนี้เนี่ะผมพูดนำแล้วก็ยังจะต้องพูดให้ท่านชัดเป็นลำดับต่อไปอีกฟังให้คิดเห็นแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะเป็นปัญหาข้างใจท่านอยู่ส่วนหนึ่งก็อาจบางท่านก็อาจจะคิดเห็นปลูกโปร่ปงไปได้ล่วงหน้าเรามาดูตรงนี้ฮะว่านี่เรากำลังพูดถึงอวิชานะความไม่ตรัสรู้อริยรรสัจสี่ที่ท่านเอาสมบูรณ์เนี่ย เอาขั้นสมบูรณ์เป็นหลักต่ำกว่า น, นี้ถือว่าเป็นขั้นก่อสังสารวัตเป็นวงเวียนของ อ, ว, อ, งอวิชารอาผมถามว่าอาวิชาที่ว่าปิดอาเลียสัตว์สีไม่ให้เรารู้เนี่ยปกปิดเมื่อไหร่ผมถามว่าเราเนี่ยถูกปิดตลอดเวลา หรือถูกปิดบังเวลาผมกำลังพูดถึงขั้นสมบูรณ์นะถ้าใครตอบว่าปกปิดเป็นบางเวลาไม่ปกปิดเป็นบางเวลาอย่าลืมว่าผมย้าว่าขั้นสมบูรณ์นะขั้นมาขั้นผลถ้าใครคิดอย่างนั้นตอบอย่างนั้นก็หมายความว่าท่านเป็นอริยะบางเวลาเป็นปุตุชนบางเวลามีไหมครับอริยะบางเวลาปุตุชนบางเวลาไม่มีเราจึงชื่อว่าไม่รู้ตลอดเวลา นี่ผมให้คำตอบแน่ชัดอันนี้ท่านรับทราบไปก่อนทีนี้มาพิจารณาอีกมุมหนึ่งว่าอาวิชชาเจตสิก ข, ของเราปรากฏตลอดเวลาหรือปรากฏบางเวลานี่ต้องคนตามเรื่องธรรมะกันมาพอสมควรนะเป็นว่าเรื่องนี้นะถ้าไม่ได้เรียนธรรมะนี่ต้องพูดกันอีกรูปหนึ่งอ่ะ เอาผมถามว่าท่านโกรธทุกเวลาหรือโกรธบางเวลาโกรธบางเวลาถูกแล้วโกรธบางเวลาแต่โกรธทุกเวลาตายตายไปนานแล้วนเนี่ยโมหะเนี่ยมันเกิดในกุศลจิตสิบสองใช่ไหมโลภะสี่เอาโลภะแปดโทสะสองโมหะโมรลจิตหนึ่งมีโมหะเกิดทั้งนั้นถ้าใครตอบว่าโมหะเกิดตลอดเวลาคนนั้นไม่มีกุศ ล, ลจิตเลย ต้องตกนรกหมกไหมไม่ได้พูดได้เกิดแน่ๆเราไม่ได้เกิดอกุศลแจิตทุกเวลาเมื่อไม่ได้เกิดกุศลแจิตอกุศลแจิตทุกเวลาโมหะซึ่งมีที่เกิดอยู่ในอกุศลจิตสิบสองก็ต้องเกิดบางเวลาไม่ได้เกิดทุกเวลาทีนี้เมื่อไม่ได้เกิดทุกเวลาแล้วทําไมเราถูกปกปิดทุกเวลาล่ะที่ ผมพยายามบอกให้ท่านเชื่อผมเมื่อกี้จะเชื่อได้ต่อไปหรือไม่ทำไมถูกปกปิดทุกเวลาอ้าวตรงนี้พักไว้ก่อนแะมาพิจารณาเทียบตรงนี้เราเนี่ยไม่ได้โกรธทุกเวลาเมื่อเราไม่ได้โกรธนั้นแปลว่าเราเป็นผู้ไม่มีความโกรธอยู่ในสันดานหรือ เราไม่ได้กำหนดทุกเวลาชื่อว่าเราเป็นผู้สิ้นความกำหนัดหรือไม่ตรงนี้เราเป็นบทอธิบายสำคัญว่าอาวิชชาจะเกิดหรือไม่จะเกิดบางเวลาเดี๋ยวประเดี๋ยวหรือเกิดบางเวลาต่อเนื่องยาวนานแต่มันปกปิดได้ตลอดเวลาเพราะอะไร ตรงนี้เป็นเป็นความลึกซึ่งต้องเข้าใจนะถ้าไม่เข้าใจแล้วเรื่องไม่เดินอวิชชาที่ไม่ได้เกิดกับเราตลอดเวลาอวิชชาเมื่อเกิดเกิดขึ้นมาปกปิดแล้วมันทิ้งอำนาจทิ้งอำนาจไว้ในสันดานเราคำพีท่านพยายามจะบอกว่า อวิชานั้นแม้ไม่เกิดถ้าเมื่อยังละไม่ได้ตราบใดมันก็มีสิ่งหลงเหลือคืออำนาจปกปิดอยู่ในสันดานของเราตราบนั้นทั้งที่ตอนนี้เราเกิดกุศลจิตเราก็บรรลุไม่ได้เพราะว่าพลังอำนาจอาวิชามันครอบงำเราอยู่ไอการครอบงำของมันเนี่ยมันครอบงำทั้งเมื่อตอนมันเกิด และเมื่อตอนมันดับไปแล้วมันก็ครอบนำมันจะเป็นตัวขีดวงจำกัดความอย่างรู้ของเราเอาไว้ต่อเมื่อใดเราจะเดินกุศลทำลายตัวอวิชชาได้ก็ทำลายอำนาจครอบํำของมันได้ดังนั้นในทํานองตรงกันข้ามผมถามว่าพระอรหันต์ผู้สิ้นอวิชชาเนี่ย รู้อริยสัจสี่ทุกเวลาหรือบางเวลาใครฟังเมื่อวานนี้บอกแม้นี่อย่าให้บางอาจตอบเลยเรื่องราวของพระของเจ้าอาลาดอ๋นี่เราพูดในแง่หลักการนะเราไม่ได้มาพูดว่าใครเป็นอรหันนะอ้วทวนใหม่พระอรหาัาน์ที่ทำลายอวิชชาได้แล้วเนี่ยท่านรู้ อริ ย, ยสัจสี่ทุกเวลาหรือบางเวลาตอบว่าทุกเวลาท่านนอนหลับอยู่ก็ชื่อว่าเป็นผู้รู้อริยสัจสี่ท่านตื่นขึ้นมาพิจารณาวัตทุกเป็นอย่างนี้สมุทยัยเป็นอย่างนี้นิโรธเป็นอย่างนี้มรรคเป็นอย่างนี้ก็ชื่อว่ารู้อริยสัจสี่เพราะท่านถือเอาความที่ว่าท่านถอนเอาวิชาที่เป็นตัวปกปิดได้แล้ว ท่านจึงเป็นเจ้าของความรู้นั้นอยู่เสมอเมื่อใดลืมตาขึ้นมาดูก็เห็นไม่ลืมตาความรู้นั้นก็ไม่หนีไปไหนเป็นของท่านแน่แน่ไม่มีการแตกไม่มีการทำลายไม่มีการคืนไม่มีการหลงไม่มีการลืมอย่างความรู้ในดังปริยภาพม้า ม, มุติว่าเป็นโสตบันตายข้ามพลความชาความรู้สึกนั้นฝังใจโดยไม่ต้องมีใครสอนมนั่การสื่ต่อความรู้เลื่อนจันมัชชันผลขึ้นไปได้เองเลยทีเดียว นี่เป็นข้อเทียบเพราะฉะนั้นขณะนี้เราจึงชื่อว่ามีความไม่รู้อยู่ด้วยหมายเอาอำนาจครอบงำของอวิชชาที่เมื่อเกิดขึ้นมันไม่รู้และมันก็ครอบงำเราอยู่อย่างนี้และเพราะเรามีความไม่รู้ ไม่เคยรู้อริยาศัสตร์สีอย่างในขั้นมากขั้นผลเคยแต่ถูกปิดบังจนชินจนไม่เป็นตัวของตัวเองถูกครอบงำสนิทเหมือนอย่างผูกสิ่งลึกลับมาเข้ามาสิงอยู่ในตัวเรานีนั้นะเป็นความมืดบอดเป็นผู้ไม่มีจักสุขเราไปคิดอ่านในเรื่องอะไรอะไร ความคิดอ่านของเราการกระทำของเราเป็นเวรเป็นกรรมหมดเดี๋ยวผมจะชีว้ว่าเป็นเวรเป็นกรรมด้วยลักษณะยังไงนะแม้ว่าเราจะไม่ต้องการว่าไม่อยากยัดได้บาปเลยก็ต้องบาปไม่อยากยัดได้บุญเลยก็ต้องได้บุญครับเวลาเราพูดถึงปฏิจจ์อย่างในทางหลักเนี่ยท่านตั้งข้อลังเกียดสังขารทั้งที่เป็นกุศลและอกุศล ไม่ได้มากะเกณฑ์ตั้งข้อลังเกตีเฉพาะที่เป็นอกุศลว่าอย่าไปปรุงแต่งที่มันเป็นบาปเป็นเรื่องความทุกข์ความร้อนใจเอาแค่นั้นนะนี่ท่านเอาทั้งบุญก็เอาครับถือว่ามาจากความโง่เหมือนกันเพราะท่านถือว่าบุญคือโลกีะบุญเนี่ยบุญขั้นโลกีเป็นมารชนิดหนึ่งเป็นสิ่งที่จะต้องรู้จะต้องละในระดับชั้นสูง ในในทางหลักทางาศาสนาชั้นสูงนี่ทีนี้ถามมาเดี๋ยวนี้เราเราไม่ต้องการบาปใช่ไหมล่ะบุญไม่ต้องการด้วยไหมบุญยังต้องการและถ้าเรายังต้องการบุญชื่อว่าทำสวนทางผิดกับปฏิจจสมุปบาทใช่ไหมก็ต้องตอบว่าใช่สวนทางกับความประสงค์ของปฏิจจสมุปบาทขั้นสมบูรณ์ แต่ว่าเมื่อพูดโดยลำดับของการปฏิบัติเราจำเป็นต้องพึ่งบุญนะแล้วก็เป็นธรรมดาจะต้องเกิดบุญทีนี้ผมยกตัวอย่างให้เห็นชัดว่าอาวิชาที่เป็นปัใจจัยให้เกิดความดีความชั่วที่เป็นโลกียกุศลเนี่ยนะ หมายเอาความดีความชั่วทุกกรณีเว้นมรรคผลไม่พูดถึงทั้งกรณีความดีความชั่วชั้นต่ำทั้งกรณีความดีความชั่วชั้นกลางทั้งกรณีความดีความชั่วชั้นสูงทั้งที่เราจงใจจะเลือกจะไม่เลือกหนีความเป็นสังขารไม่พน้นอ่ะทีนี้มาอธิบายว่า ที่ว่าชั้นสูงชั้นต่ำเนี่ยคืออะไร <c oughs> คือในขณะที่เราทำวิปัสสนากรรมฐานเพื่อจะละกิเลสอยู่นั่นเอง <c oughs> เป็นบุญหรือเป็นบาป <c oughs> เป็นโลโกตะละหรือเป็นโลกีะ้ะ <c oughs> เป็นโลกีะ้ะ <c oughs> เรากาลังทำวิปัสสนาเพื่อละกิเลสอยู่นั่นเองนะ แต่เป็นโลคิยะเมื่อเป็นโลกิยะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นปุญญาพิสังขารถ้าไปเข้าฌานก่อนรูปฌานรูปฌานก็เป็นอเป็นอนเนจรพิสังขารด้วยตัวก็ถามถามความในใจว่าทำเนี่ยทําเอาบุญหรือทําเอาความเจริญเพื่อล้างกิเลสเราก็ตอบความตั้งใจของเราที่ปรากฏว่าเราไม่ได้แสวงบุญเรา แสวงหาการละกิเลสแต่ถามว่าเราได้บุญเดี๋ยวนั้นหรือได้ละกิเลสสมุทเฉด เ, เดี๋ยวนั้นเราได้บุญเดี๋ยวนั้นทั้งที่เราไม่ได้ต้องการนะเราต้องการมัดต้องการผลต้องการละกิเลสแต่มันกลับมีฐานหน้าเป็นบุญเพราะฉะนั้นสังขารชั้นสูงเนี่ยจึงเป็นอย่างนี้ครับมันเกิดจากอวิชชาเหมือนกันแต่สังขารอย่างนี้มีหน้าที่เป็นบาศ กลับไปทำลายอาวิชชาภายหลังเรียกว่าใช้งานฆ่ามานันใช้มันฆ่ากิเลสเลยเห็นเป็นธรรมดาหนึ่งว่าคนจะเจริญในธรรมอย่างก้าวแรกๆเนี่ยเราจะฆ่ากิเลสไปด้วยไปเอาอะไรต่ออะไรที่มันเป็นเรื่องสุดเอื้อมมาใช้ไม่ได้ต้องเอาเนี่ยเอาวัตถุเอาอะไรต่อมีอะไร คือเสนาตนาที่เป็นเครื่องอนุเคราะห์พรมจรรย์นะเอ า, อากาลยานามิตรหนังสือหนังหาอันของไม่เที่ยงเหล่านี้เอานามเอาลูกของไม่เที่ยงเป็นอารมณ์แล้วกระทั่งว่าเอากุศลอันเกิดจากอาวิชานั่นแหละมาเป็นเครื่องประหารอาวิชชาในภายหลังเพราะฉะนั้นฐานะของปุญญาพิสังขารเนี่ยถ้าเราพูดก็อย่างเป็นโวหารให้เข้าใจโดยสภาวะง่ายๆก่อนเนี่ย สังขารที่เป็นบุญเป็นบาปทุกกรณีเกิดจากอาวิชชาทั้งสิ้นและสังขารที่เป็นวิวัตเป็นวัตถคามินีกรรมเอ า, อางี้แล้วกันนะที่เราทําเพื่อกุศลวิบากเพื่อราบยศ ส, สุขสุสรรเสริญเพื่อสุคติอะไรเงี้น่ะก็เกิดจากอาวิชชาและมีฐา น, นะเป็นสังขาร รวมไปถึงบุญกุศลที่บุคคลกระทมอย่างเป็นวิวัตคามินีบุญเพื่อละกิเลสเพื่อละวิชาก็เป็นสังขารที่เกิดจากอาวิชาเรานึกเทียบว่าเหมือนอย่างพระโพธิสัตว์เนี่ยเกิดมาเพื่อสอนสัตว์ให้พ้นจากกิเลส ใช่ไหมเพื่อให้ผู้ที่ครองเรือนบางพวกเห็นโทษการครองเรือนออกไปบวชที้โทษในเห็นของเมตุนธรรมกิเล ส, สกามกิเลสทุกอย่างไปแต่พระพุทธเจ้าเองก็เกิดจากกิเลสจริงไหมเกิดกิเลสคือตัณหาของท่านทรงมาเกิดตามหลักของสมุทัยทุกใช่ไหมได้แล้วก็เกิดจาก ปัจจัยแวดล้อมที่เป็นกิเลสพ่อแม่เรียกว่าเกิดจากเมถุนเพื่อมายังบุคคลให้ละเมถุนเกิดจากปัญหาเกิดจากวิชาเพื่อมาสอนให้คนละปัญหาละเอาวิชาเกิดมาอยู่ในภูมิที่มีแต่ทุกข์เพื่อให้คนรู้ทุกขละทุกอย่างที่มีที่เห็นหรือชีวิตของผู้ประพฤติปรมอาจารย์ต้องไปอยู่ลาบาก เพื่อไปแสวงหาความสุขกับความชีวิตความมีชีวิตลําบากไม่สามารถที่จะมาะแสวงหาความสุขชั้นสูงจากการเสพสุขในทางเนื้อหนังทางวัตถุนี่ผมก็หลังจาะอธิบายว่าแม้แต่คนทำวิปัสสนานั้นก็เป็นสังขารที่มีอวิชชาเป็นแดนเกิดแต่สังขารชนิดนี้เป็น ออกข้างแคหรือเป็นสิ่งที่ย้อนกลับไปทำลายตัววิชายริ น, นถ้าเป็นบาปเนี่ยมันเห็นชัดบาปอากุศลที่ทำบาปหยาบบ้างทำบาปดีบ้างเวลาบางทีท่านก็ยกตัวอย่างว่าอย่างคนที่ไม่รู้อาวิชาไม่รู้มีอาวิชาไม่รู้วิยศ า, า, าสตร์ส ถึงตัวเองจะรู้ว่าอาวิชชาเป็นอย่างไรปิดบังหรือไม่ตัวต้องการหรือไม่อย่างไรก็ตามเวลามันเป็นปัจจัยแก่สังขารมันจะเป็นไปโดยปริยายจะเป็นไปโดยปริยายคือไม่ได้อยู่ที่ความต้องการและไม่ต้องการของใครหรือของผู้นั้นนะแล้วเขาก็ไปทำํบทำบุมทําบาปยกตัวอย่างการณี ทำบาปคนทำบาปเนี่ยถามว่าทำบาปเอาอะไรเจตนาโดยตรงก็เอาอะไรหนีพ้นเอารูปเอานามไหมหนีไม่พ้นโกงเขาเอาอะไรเอามรักเอาผลเนี่ยมีใครบ้างโกงเอามรักเอาผลไม่มีมีก็มีแต่เรื่องแต่งขึ้นหาว่าพระพุทธเจ้าเราไปขโมยดอกบัว ของพระพุทธเจ้าอีกห้าองค์เลยได้เสด็จบรรลุปเป็นพระพุทธเจ้าก่อนเนี่ยเรื่องโกไม่ใช่เป็นเรื่องจริงมันมันเป็นไปไม่ได้คนที่จะรักความดีถึงขนาดเอาความชั่วเขาแลกเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยเอคนที่ทําความชั่วนั้นเพราะเห็นคุณของกรรมแล้วต้องพูดได้ว่าพวกนี้นะเห็นคุณของกรรมอย่างหนักแน่นอย่างมืดบอดยิ่งกว่าคนที่ ทำความดีเพื่อแสวงหาการคือเรียกว่ายังเลือกเลือกแสวงหาแต่คนที่ไม่ไม่รู้เรื่องบุญเรื่องกุศลไว้บ้างเลยไม่รู้เรื่องกรรมไว้บ้างเลยแล้วก็ทำความชั่วต่างๆก็แสวงหาเหล่านี้แสวงหาคือเพราะแสวงหาจริงๆคือแสวงหาความสุขให้แก่ตัวที่เราพูดนะถึงจะพูดว่าแสวงหาเงินมันก็คือแสวงหาตัวแสวงหาคติแสวงหาความอยู่ดีมีสุข เห็นว่าได้เงินทองมาก็ไปซื้อน้ํามันมาใส่ผมก็ไปซื้อลิสติกมาทาปากยกตัวอย่างอย่างนี้นะเพื่อเหตุมันมันต้องอย่างใดอย่างหนึ่งอะไปซื้อรถมาขี่ไปพาตัวไปเสริมสวยอย่างนั้นอย่างนี้มันนึกแต่ตัวเองเห็นตัวเองเป็นของสุขไม่ได้เห็นตัวเองเป็นของทุกข์และถ้าเป็นเอามากๆแม้แต่หลักการเ อ, เองก็ไม่เคยรู้สึกนึกคิดยอมรับ อย่าว่าแต่บรรลุเห็นต่อตา่างพราะตัวเองมันไม่ได้เป็นอย่างที่ตัวเองเข้าใจราะท่านคนพวกนี้ก็ไปทำความชั่วเพื่อได้สิ่งหล่านี่มาทีนี้ในกรณีที่ไปทำความดีท่านยกตัวอย่างว่าเราเมื่อมีธรรมะสูงหน่อยเราก็เห็นว่าความชั่วเนี่ยไม่ทำให้สมหวังเราคิดว่าเราโกงมาแล้วจะได้สมหวังอย่างมันไม่ใช่มันทำลายความสมหวัง แต่ที่จะสมหวังได้มันต้องใช้วิธีการที่เหนือกว่าที่ถูกต้องคือต้องทําบุญอย่างนี้จึงจะได้อย่างนี้เหมือนอย่างที่เราเราก็พูดๆตัง้งๆมาอยู่ถึงทุกวันนี้ก็ทําบุญอะไรถึงจะได้อันนี้อะไรอย่างเงี้นะะหรือถ้าหวังไปถึงชาติหน้าเกิดทําบุญอะไรถึงจะได้ชาติหน้ายอย่างางี้ที่สิ่งที่เราได้เราคิดดูมันหนีไม่พ้นคือวัตถุกรรมภายนอกและ ว, วัตถุกรรมไม่ใช่มาได้แล้วไปใส่ ก็ดังเก็บไว้เฉยๆนะตัวเรามันจะเป็นยังไงช่างมันไม่ใช่องนั้นนะเ <_ S 1> พื่อเอามาเสริมตัวเองให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ด้วยความรู้สึกเห็นคุณค่าของนามลูกคือเห็นทุกโดยความเป็นสุขในขั้นอรียสัต์ทีนี้เราก็ไปทําบุญเพื่อให้ได้ทิงเหล่านี้มาอันหนึ่งแม้กรณีของการทําบุญเพื่อให้ได้กุศลจิต ที่เป็นโลกียากุศลเช่นเราหวังว่าชาติหน้าก็ให้เราจงมีสติปัญญาเจริฉลาดอย่างนี้นะผมไม่ได้มาพูดเพื่อให้ท่านทั้งหลายเลิกปรารถนาแต่นี้ท่านก็บอกว่าเราควรปรารถนาตามลำดับของเราแต่ว่าค่าสูงสุดเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เราจะต้องปรารถนาเพื่อปล่อยคือปรารถนาเพื่อเป็นบัตรเพื่อเอาสิ่งอื่นที่ยิ่งขึ้นไปที่ไม่ใช่ทุกขความนี้ไม่ใช่ทุก เราก็จะแสวงหากุศลละธรรมอะไรๆที่ยังเป็นโลกียะอยู่ชื่อว่ายังแสวงหาทุกยังแสวงหาทุกและยังเห็นทุกเป็นของมีค่าเพราะเรามีอวิชชาอันยังไม่ได้ละโดยเด็ดขาดเรามันพิจารณาดู เราอาจจะบอกว่าโอ้ยฉันไม่เห็นคุณค่าของวัตถุสิ่งของเงินทองแล้วฉันไม่ติดญาติติดพี่น้องฉันไม่ติดนู่นติดนี่ตำแหน่งหน้าที่แต่เรายังติดธรรมะใช่ไหมละ่ะเห็นธรรมะเป็นของวิเศษธรรมะหมายถึงคุณธรรมของเรานะ่ยเป็นของวิเศษไม่เห็นเป็นสิ่งที่น่าสลัดทิ้งนี่คือระดับของเราต้องรู้สึกอย่างนี้ตามระดับของภูมิปัญญาที่เรามีเนี่ยอวิชามก็เกิดมันทําให้เกิดสังขาร ขอให้นึกง่ายๆอย่างนี้ครับว่าเรามีความรู้ในกลุ่มรูปกลุ่มนามของเราอย่างแจ้งชัดในขั้นใดเราก็จะเกิดปัญญาในชื่อว่าเกิดปัญญาในขั้นนั้นแล้วก็จะเกิดการปลดปล่อยได้ในขั้นนั้นนั้น ไปตามลําดับตามลําดับส่วนที่เราปลดปล่อยได้ด้วยอํานาจความรู้ในระดับนั้นส่วนใดที่เกินอํานาจความรู้เราเรายังปล่อยไม่ได้ปล่อยไม่ได้จริงๆปล่อยไม่ได้เด็ดขาดมันก็ยังเหลือแล้วมันก็ค่อยๆเป็นการลดส่วนที่เราไม่รู้ให้น้อยลงเพิ่มส่วนที่เรารู้ให้มากขึ้นขึ้นไปขึ้นไปนไ ป, นไปจนถึงบรรลุมรรคผลเนี้ เมื่อนั้นแม้ไม่ต้องทำความรู้สึกว่าเราไม่ต้องการบุญก็ไม่ได้บุญเองไม่ต้องระวังไม่ต้องดูแลทำบุญเนี่ยแม้ไม่คิดต้องการบุญก็ไม่ได้เองใจมันไม่เอาอย่างติดสันดานนะไม่ต้องนึกว่าไม่เอาไม่เอาไม่ต้องนึกว่าเอาๆอมันอยู่ในสันดานของเราเลยแล้วเป็นไปโดยอัตโนมัติ โดยไม่มีการเที่ยงพรลัมนี่ระดับมรรคผลเองนั่นแนหะคือเทียบเหมือนกับอะไรที่เป็นความดีที่มันอยู่ในนิสัยของเราอย่างแนบแน่นแล้วเนี่ยเราจะไม่ไม่ต้องการในสิ่งนั้นๆั้นอย่างอัตโนมัตินะยางอัตโนมัตินี่เป็นข้อเทียบกนนะั่นั้นแหะซึ่งคนอื่นเขาอาจจะไม่ได้เป็นอย่างเราก็ได้เหมือนอย่างที่เราไม่ได้เป็นอย่างพระอดีย่ ทีนี้ผมมาชี้ให้ดูว่าจากเอกสารที่แจกให้ดูในแผนภูมิเนี่ยตัวเลขต่างๆท่านยกไว้โมหะโดยองคธรรมเกิดในอกุศลกิจทสองเป็นอาวิชาส่วนสังขารหมายถึงสังขารสาม ที่แสดงโดยความเป็นไกาสังขารบางีสังขารจิตสังขารบางแล้วก็เป็นปุญญาพิสังขารนะปุญญาพิสังารอานินชาพิสังขารบางทั้งหมดเหล่านี้องค์ธรรมคือเจตนากรรมที่เป็นบุญฝ่ายกามาวจรคือบุญระดับชาวบ้านกับระดับพวกที่ได้รูปฌานเรียกว่าเป็นปุญญาพิสังขารท่านมาปนกันไวน้นี้บุญที่เป็นอรูปาวจร เรียกว่าอาเนชาพิสังขารอรูปชาเองบุญที่เป็นอกุศลว่าทำไมจะบุญนะอกุศลที่เรียกว่าอาปุณเนี่ยเป็นบาปเป็นสังขารชนิดหนึ่งจึงแสดงสังขารไว้เป็นเป็นสามนี้ถ้าเราไม่นึกขยแยเป็นสามก็แบ่งเป็นสองส่วนเผอง่ายนะคือสังขารที่เป็นบุญกับสังขารที่เป็นบาปมีอยู่สองอย่างทีนี้ที่จะชี้ให้ดูก่อนเนี่ยครับ ที่ในส่วนหลักว่าอาวิชาเป็นปัจจัยแก่สังขารอย่างไรอย่างไรนี่ผมกำลังจะบอกในทางหลักในทางหลักปัจจัยท่านก็แสดงปัจจัยให้เห็นว่าปัจจัยหลักมันมีอยู่สามตัวตัวที่หนึ่ง เป็นโดยปกตูปนิสยปัจจัยคำว่าปกตูปนิสยปัจจัยเนี่ยหมายถึงโดยอ่านี่ต้องต้องต้องอธิบายคํากันทั้งนิดหนึ่งนะปกติปกตูมาจากคาว่าปกติคําหนึ่งแล้วก็อุปปาคำหนึ่งนิสัยคําหนึ่งอุปปกันิสัยในหลวงเป็นอุ ป, ปนิสยัยแปลว่าที่อาศัยอย่างแรงทําไมถึงเป็นที่อาศัยอย่างแรง อันว่าคือนิสัยของเราที่เราสั่งสมความรู้สึกนึกคิดในทางจิตใจของเราที่เังสั่งสมไว้เนี่ยพอสั่งสมไว้จุดหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นนิสัยที่มีกำลังแรงและนิสัยที่จะแรงได้คนนั้นต้องสั่งสมอย่างเป็นปกติปกติข้างหน้าก็หมายถึงปกติตํานืงเนืองทำบ่อยๆทาอย่างไม่เคยละไม่เคยปล่อยไม่เคยวางเรียกว่าเป็นปกติเราก็นึก ง่ายๆอย่างนี้ครับว่านิสัยใดที่เราอบรมไว้เป็นปกตินิสัยนั้นแรงหรืออ่อนแรงและแรงเนี่ยมันก็มีผลนะมีผลเราบางทีเรานึกว่านิสัยนี้ไม่ดีเหมือนอย่างเราเรียนธรรมะเนี่ยเรารู้ว่านิสยัยตัวนี้ไม่ดีเราอยากเชีวออกแล้วก็ทำความปรารถนาที่ออกพยายามจะออกได้ไั้มง่ายั้มไม่ง่าย ไม่ง่ายเพราะอะไรเพราะเราได้อบรมมาเป็นปกติเรานึกดูดีว่าเราอบรมนิสัยไม่ดีมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ไม่เคยปล่อยไม่เคยวางมันจะมายอมหายไปได้ง่ายๆเพียงแค่เราฟังเทศกันเดียวแค่คิดแค่ปรารถนาะแค่อธิษฐานประเดียวเดียวอ่าวันสิวันแม้ทั้งชีวิตก็ไม่หายนะไอ้ไอที่เราแก้นิสัยได้บางอย่างเนี่ยบางทีมันก็มีขีดขั้นเหมือนกันว่า นิสัยบางอย่างเช่นว่ายกตัวอย่างความโกรธนี่นะไอ้ขั้นนี้เราอาจจะควบคุมมันได้หน่อยแต่มันก็เหลือในส่วนอื่นที่เราควบคุมไม่ได้แต่ที่แน่ๆก็คือว่าเราจะถอนนิสัยด้วยความรู้สึกนึกคิดโดยสิ้นเชิงนิสัยชั่วๆนี่นะไม่ได้เด็ดขาดต้องใช้ภาวนาชั้นสูงจึงจะทำลายได้ ปริยัดและความนึกคิดนั้นช่วยได้บ้างในบางส่วนไอ้ชั้นห ย, บยาบๆแต่ละเอียดละเอียดจริงๆอย่างเอาต่อรากทั้นคนเนี่ยต้องคั้นมรคขั้นผลอ่าทีนี้มาพูดถึงว่าอาวิชาเนี่ยเราได้สะสมไว้เป็นปกติใช่หรือไม่ปกติไม่ต้องดูอื่นไกลเรามีโมหะเป็นปกติใช่หรือไม่ปกติคือบ่อยๆ นะเมื่อใดเราโกรธมีโมหะใช่ไหมเวลาโกรธเนี่ยไอ้ตัวโทสามก็ทำร้ายไปโมหะมันก็ปิดไปมันจะปิดเรื่องอื่นหรือไม่เนะี่ยเป็นเรื่องจรแต่สิ่งที่มันปิดเหมือนกันหมดในทุกๆอวิชชาสิบสองดวงปิดอะไรครับปิดอาเรียสัตติเรื่องอื่นเนี่ยบางทีมันก็ปิดเป็นที่ๆเป็นเรื่องๆไปนะตีลู้เรื่อง นี่พูดถึงไอ้โลกิยาปัญญารู้เรื่องนี้ก็รู้ไปรู้เรื่องนูน ร, รู้ไปเรื่องนี้ไม่รู้ก็ไม่รู้ไปแต่มันจะปิดเรื่องใดที่เป็นเรื่องพื้นพื้นเป็นอย่างอย่างไปหรือไม่อย่างไรเนี่ยทุกตัวมันปิดปิ ด, ปดอริยสัจดังนั้นเราทำไว้เป็นปกติมันจึงมีความกล้าแข็งไม่ยอมฟังเรา ว่าฉันรู้แล้วว่าไม่ดีอ่านภาะไตรปิฎกมาฉันอยากยาละไม่ฟังที่ไม่ฟังนี่แหละเป็นปักตะูปนิสยทีนี้เมื่อมันเป็นปักตะูปนิสัยประจยัยมันก็แสดงพลังแสดงพลังทําให้เกิด <c oughs> ผลลัพธ์ <c oughs> คือความคิดปรุงแต่งต่างๆที่เรียกว่าสังขาร เหมือนว่าที่ว่าเรามีความไม่รู้ปฏิจจะอยู่เป็นปกติไม่รู้อริยศาสตร์เป็นปกติเราก็มีความคิดปรุงแต่งที่จะทำอะไรต่อมีอะไรคืออย่างนี้ครับว่าเวลาเราต้องการจะทำอะไรอย่างไรเนี่ยนะ <c oughs> มันไม่ใช่อวิชาตัวเดียวมันชี้ว่าทำนี่สิอย่าทำนั่นเลยมันมีปัจจัยอื่นอีก มันก็เลยต้องทํามือทําไม้ไม่ ม, มีมีภาพเขียนให้ดูนะ <c oughs> ความไม่รู้วิทราศาสตร์สีมันครอบไว้ส่วนไอ้เจตนาว่าจะทําอะไรเนี่ยมันอยู่ที่แรงกระตุ้นของปัจจัยรองนะว่าเอต้องรักเอ๊ะต้องรักอันนี้เอต้องพูดโกหกอย่างนี้เอ๊ะต้องทําบุญอย่างนี้เหล่าเนี้ยเป็นความคิด ไปในเรื่องอะไรอย่างไรอยู่ที่เหตุปัจจัยประกอบอื่นๆแต่ทั้งหมดนั้นจะถูกครอบไว้ด้วยความไม่รู้อริยสัจว่าจะต้องทําอย่างชนิดที่คนไม่รู้อริยสัจพึงทําได้เราก็มีเจตนาดีบ้างชั่วบ้างเป็นไปชนิดหลากหลายอย่างไงก็ตามแต่เป็นไปอย่างที่ ผู้ไม่รู้อาริยสัจจะพึงทำจะพึงทาได้ทีนี้ไอ้ที่ว่ามันมากมายหลายอย่างเนี่ยผมต้องย้ำกลับมาอย่างนี้ว่าความจริงเนี่ยมันมนรวมอยู่ที่อย่างเดียวที่ทำเพื่อสนองตอบทุกจริงหรือเปล่าไอ้เราจะพูดว่าแก่ทุกข์เหลือไปยังไงก็ตามเถอบทำเพื่อสนองตอบทุกทำเพื่อเป็นประโยชน์แก่ทุก คือตัวเราเองต้องคิดด้วยดีนะว่าเราทำบาปเนี่ยเพื่อเป็นประโยชน์แก่ทุกคือตัวเราใช่หรือไม่ทุกคือก้อนทุกเป็นจขันเป็นทุกทุกในอริยสัจสีผมก็จำเป็นต้องห่วงใหญ่และย้ำความที่พูดโดยทางบาปทุกอยู่เสมอเสมอใช่ไหมฮะเพื่อเป็นประโยชน์แก่ทุกเราทำบุญเนี่ยก็เพื่อเป็นประโยชน์แก่ทุกถึงเราจะคิดว่าเราทาบุญบริสุทธิ์ยังไง มันหนีไม่พ้นเด็ดขาดสาวลึกเข้าไปแล้วก็จะเห็นว่าเพื่อเป็นประโยชน์แก่ทุกก็ทําไมเราถึงทําอะไรเพื่อเป็นประโยชน์แก่ก้อนทุกนี้ด้วยวิธีที่ดีและไม่ดีเพราะเราไม่เห็นทุกโดยความเป็นทุกซึ่งก็คือเรายังรักตัวเองยังหลงตัวเองนะแต่พูดอย่างตัณหาเรียกว่ารักตัวเองพูดอย่างโมหะก็เรียกว่าหลงตัวเองซึ่งตรงนี้น่ะเป็นเรื่องที่ พระทายเราอย่างหนึ่งว่าเราเนี่ยเรานึกเผลอเผลอแล้วก็นึกว่าพระมาพูดว่าเราไม่รู้จักตัวเองดูถูกกันเกินไปแล้วใช่ไหมเป็นไปได้ยังไงที่คนอย่างเราแต่ละคนเป็นเจ้าของตัวเองจะไม่รู้จักตัวเองพระท่านบอกว่าเราไม่รู้จักตัวเองแล้วก็ถามว่าพระรู้จักตัวเองว่าไง ร, รู้จักว่าเป็นทุกข์เราก็หัวหดเลย เราต้องเถียงใช่ไหมเถียงเนี่ยชั้นแรกก็โดยหลักการมันไม่ใช่มีแต่ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นมีแต่ทุกข์เท่านั้นดับไปที่ไหนมีตาที่นั่นมีโรคที่ไหนมีตาที่ไหนมีที่นั่นมีฝีตาเป็นต้นตาหูจมูกลิ้นกายหรือน้ารูปพูดอย่างประสาเราที่ไหนมีน้ารูปที่นั่นมีฝีที่นั่นที่ไหนมีน้ำรูปที่นั่นมีโรคที่ไหนมีน้ารูปที่นั่นมีสิ่งเสียบแทงเป็นโวหารที่พูดในลักษณะติดลบ ซึ่งเรานึกไม่ออกถึงเราจะยอมรับหลักการแต่ในใจเรายังแอบแอบคิดว่ามันไม่ใช่ไม่จริงนี่แหละคือเอาวิชาของเราที่ไม่รู้ทุกไม่รู้เหตุเกิดของทุกไม่รู้ปฏิปทาให้ถึงความดับทุกในขั้นบรรลุเนะต้องย้ำตอนนี้ว่าขั้นบรรลุไม่ใช่ขั้นหลักการท่านถึงว่า อวิชาเหมือนคนตาบอดคนตาบอดคนนั้นมีเหตุปัจจัยที่จะต้องทำอะไรเพื่อตัวเองเห็นว่าอยากจะหายจากตาบอดหรืออยากจะทำกินนูน่นกิดนี้ก็เดินหายยาแต่เป็นยาที่ถูกหรือผิดยาที่ผิดเพราะความตาบอดของตัวเองก็อย่าเถียงว่าตาบอดหายาถูกก็มีแอนต์แมวตาบอดหายยาถูกแมว ไม่เก้าเรื่องต้องอาหาหายหายยาถูกที่ผิดเราเนี่ยก็ไปหายาคือยานี่กลายเป็นยาหมานอภิสังขามันทั้งกุศลทั้งอกุศลเอามากินเอามาใช้ปรากฏว่าแผลที่เราเป็นนะคนตาบอดเป็นแผลเป็นฝีแผลที่เป็นนั้นก็เฟ้อแล้วเฟ้ออีกรามแล้วลามอีกแตกแล้วแตกอีกไม่รู้จบ พอโรค ก, กำเริบเราก็หายามมาใส่ไปเรื่อย ๆ, ๆอย่างนี้เนี่ยครท่านถือว่า <c oughs> เป็นอวิชาที่เป็นปัจจัยแก่สังขารโดยความเป็นป ก, ปกติปรจจตบันนี้คือแรงบันดาลใจเหมือนเป็นแรงบันดาลใจให้เราเนี่ยทําอะไรอย่างคนโง่ๆซึ่งเป็นความโง่ชนิดที่ไม่มีอยู่ในาศาสตร์ใดในโลกที่จะพูดถึงก็ฟังดูแ ล, แล้วเราก็เห็นว่า เรื่องนี้สมกับความเป็นวิปัสนาภูมิและสมกับความเป็นที่ท่านพูดถึงวัฏตกะกับวิวัฏตะไอเรื่องอื่นๆนั่นเป็นเรื่องแถมพกมาต่นนั้นเองแถมพกคือคือถ้าเราสแสวงหาธรรมยนสูงและอย่างอื่นก็เป็นของได้ประโยชน์โดยอัตโนมัติตามมาเป็นเรื่องเๆอย่างๆไปแต่นี่คือพูดอย่างชั้นสมบูรณ์คืออย่างนี้ <c oughs> ทีนี้อีกอย่างหนึ่ง พูดถึงอย่างนี้พูดถึงปกักจจุบันิสยาปัจจัยเป็นแบบรวมๆก่อนนะยังไม่แยกตัวบุญตัวบาปว่าบุญเป็นปัจกุบัแก่บุญแก่บาปยังไงพูดละเอียดสักทีเดียวก็วจะเป็นเรื่องยากแก่การเข้าใจค่อยๆติดตามอ <c oughs> อีกปัจจัยหนึ่งคําว่าอีกปัจจัยหนึ่งนัดแต่นี้ถือว่าเป็นรองเป็นตัวปัจจัยรองไม่เป็นปัจจัยอย่างเองื่ ในทางความเป็นปัจจัยและในทางละัะลองเนี่ยก็คืออย่างเช่นอารัมมณะปัดกล่าวคือบุคคลเมื่อนึกถึงอวิชชาอยู่แล้วก็เกิดกุศลและจิตขึ้นในเพราะนึกถึงอวิชชานั้นเป็นอารมณ์อวิชชานั้นชื่อว่าเป็นอารัมเป็นปัจจัยแก่กุศล นั้นอกุศลที่เกิดขึ้นเป็นตังขานเนี่ยโดยความเป็นอารามณะปัจจัยบุคคลใดเมื่อนึกถึงอวิชชาอยู่ด้วยอกุศลอวิชชานั้นเป็นอารามณปัจจัยให้กับอกุศลนั้นที่ตัวนึกถึงนี่เป็นเป็นกรณีของอารามณะปัจจัยอีกอย่างหนึ่งเป็นโดยสหาชาตาปัจจัยคือความเกิดร่วมกัน ในกรณีนี้ก็ว่าอาวิชาที่เกิดอยู่ในอกุศลลจิตสิบสองเนี่ยอวิชาในนั้นชื่อว่าเป็นปัจจัยแก่สังขารคือกรรมอกุศลนั่นแหละโดยความเป็นสหาชาตปัจจัยเกิดร่วมก็เลยทําให้เราพอมองเห็นภาพคร่าวๆแต่ว่ายังยังไม่กล่าวสมบูรณ์ในทีน่นี้ว่าอาวิชาเกิดเนี่ยมันมีพลังให้เกิดสังขารหลายแบบ แต่ให้จำไว้ว่าแบบอย่างสำคัญเป็นภาละในทางจะต้องละเนี่ยคือปักรูปนิสยัยตัวอื่นนั่นเป็นเพียงสงเคราะห์เขาไมา้เห็นว่านอกจากปักรูแล้วยังทียังเป็นอารมณ์ด้วยยังเกิดร่วมด้วยอะไรอย่างนี้แต่ว่าไม่สำคัญนั้นไอ้ตัวที่เป็น <c oughs> ตัวมารเป็นปัจจัยมารปัจจัยสำคัญในทางวัตต์คือ ปกติที่เหนือการรับรู้เหนือการยอมรับเป็นปัจจัยที่มันเดินเครื่องทํางานของมันเองโดยไม่ฟังใครห้ามไม่ได้และคนที่รู้อริยศาสี่นะเขาทําลายตัวอวิชาและทําลายอํานาจปัจจัยที่เรียกว่าปักปรตูปณิสยปัจจัยไม่ทําลายอํานาจอื่น เช่นคนที่บรรลุมรรคผลแล้วยังนึกถึงอวิชชาเก่าได้ไหยได้นึกถึงอวิชชาเก่าของตัวได้ใช่ไหมเมื่อยังเป็นไม่ได้เป็นพระอาหารหันต์นึกหน่วงเอาอาวิชชาคนอื่นมาเป็นอารมณ์ได้แต่ไม่ได้รับพลังสิ้นพลังของอวิชชาในส่วนที่มันเป็นแรงดนใจให้ตัวเองเกิดความคิดใยบุญใยบาปและอวิชชาของคนอื่นที่ตัวเองนึกถึงเป็นอารมณ์อยู่อวิชชาคนอื่นก็ถือว่าเป็นอวิชชาที่ อยู่คนละวงกับประสิทธิสมุบาตของตัวไม่มีผลที่จะก่อสังสารวัต์ให้กับตัวเราได้ถึงเราจะรู้จักอวิชชาของอีกคนหนึ่งดีกว่าตัวเขาเองก็ตามไม่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าเมื่อไปกําหนดว่าสัตว์ผู้นี้มีทุลีคือกิเลสมีอวิชชาเป็นต้นในดวงตา ม, มากเพราะการสังสมมาอย่างนี้ท่านก็กลายเป็นผู้มาบริสุทธิ์ขึ้นมาทันที แต่นี่ท่านไม่เป็นไรเพราะกิเลส ข, ของใครก็ถือว่าอยู่ในวงจรของปฏิจจะของบุคคลนั้นนั่นเองนี่คือส่วนที่พระพุทธเจ้าทรงประสงค์อยู่ในพระสูตรทั้งหมดและประสงค์ในทางปฏิบัติทั้งหมดและเมื่อเราได้พอเห็นเราเรื่องเราๆอย่างนี้จึงเป็นที่ปรงใจได้อย่างหนึ่งว่าการบริหารปฏิจจะตรงนี้อวิชชากสังขารเนี่ย จึงไม่บริหารให้ไม่สามารถบริหารให้สำเร็จได้ด้วยความนึกคิดอื่นใดเลยต้องมักต้องผลแต่มักผลจะเกิดก็ต้องค่อยๆใช้พื้นฐานเบื้องต้นอย่างนี้ขยับขึ้นไปจึงจะสมควรก่อนวันนี้ผมจะพูดไว้เพียงเท่านี้และคราวหน้าจะค่อยๆอธิบาย